โัยอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชิดชูดธรรมะความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆะและสังคมการกราบไหว้ตามแก่อ่อนพรรษาในวงพุทธบริษัทเป็นที่ทราบกันดีว่าเขริหัสกราบไหว้แสดงความเคารพแก่พระภิกษุส่วนในหมู่พระภิกษุ ก็แสดงความเคารพกันตามลำดับความแก่อ่อนโดยพรรษาหรือตามลำดับอายุสมาชิกภาพในหมู่สงฆ์พระภิกษุที่อ่อนพรรษากว่าจึงกราบไหว้พระภิกษุที่แก่ภรรากว่าการแสดงความเคารพกันตามความหมายของพระพุทธศาสนาอย่างนี้มิใช่เป็นเรื่องแสดงความสูงต่ำไม่ว่าจะในด้านกิตยศอานาจภายนอกหรือคุณธรรมภายในก็ตาม ด้านภายนอกมองเห็นง่ายอยู่แล้วว่าเฉพาะด้านคุณธรรมภายในคฤรพหัดแม้เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงเพียงใดก็กราบไหว้พระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนส่วนในหมู่พระสงฆ์พระภิกษุผู้เป็นอริยบุคคลสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์แต่อ่อนพรรษากว่าก็แสดงความเคารพแก่ภิกษุปุถุชนผู้แก่พรรษากว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการแสดงความเคารพหรือกราบไหว้กันอย่างนี้มีไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความดีงามและความอยู่ร่วมกันพาสุขของสงฆ์หรือสังคมสําหรับคราหัตที่เป็นพระอรหันตก็มีแต่คำพีมิลินทปัญหากล่าวว่าคราหัตผู้เป็นอรหันต์นั้นจะอยู่ในเพศคราหัตเพียงภายในวันเดียว เราจะต้องบวชเป็นภิกษุหรือไม่ก็นิพพานในวันนั้นในคำพีมิลินทปัญหาท่านแสดงเหตุผลไว้ด้วยว่าทำไมเครือหัสโสดาบันจึงสมควรแสดงความเคารพแก่ภิกษุปุถุชนแต่ไม่ได้กล่าวถึงพระอริยบุคคลที่สูงกว่านั้นอย่างไรก็ดีมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกเช่นจิตตาเครืหบดีซึ่งเป็นอนนาคามีก็กราบไหว้ แม้แต่พระสุธรรมภิกษุซึ่งคิดไม่ดีต่อท่านอธกถาถึงกับอ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายพระอนาคามีถ้าเป็นขฤรหัดก็ควรกระทำการกราบไหว้เป็นต้นแก่สามเณรแม้ที่บวชในวันนั้นพุทธพจน์นี้ยังไม่พบในพระไตรปิฎกแต่ก็ลงกันโดยหลักการ ความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์หรือการอยู่ร่วมกันผาสุก ข, ของสังคมนั้นรวมอยู่ในคำว่าธรรมะหรือเป็นธรรมอย่างหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบหรือธรรมเนียมการแสดงความเคารพเช่นนั้นยอมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์หรือพูดอย่างสั้นๆว่าปฏิบัติเพื่อเชิดชูธรรมซึ่งเท่ากับว่าปฏิบัติด้วยความเคารพธรรมนั่นเอง และการทำความเคารพโดยมีความเข้าใจเช่นนี้ยอมเป็นการบำเพ็ญความดีของผู้ที่แสดงความเคารพนั่นเองด้วยคือเป็นความดีของผู้เคารพเองที่ได้กระทำเช่นนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะพระอระหันต์ไม่มีความยึดติดถือมั่นในเรื่องตัวตนที่จะเป็นเหตุให้ถือเอาการกราบไหว้นั้นมาเป็นเครื่องวัดว่าสูงต่ำกว่าใคร หรือเป็นเครื่องสําหรับยกย่องถือตัวท่านจึงปฏิบัติไปตามหลักที่วางไว้โดยชอบตั้งจิตมุ่งเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์หรือของสังคมเพื่อเชื้จูธรรมะเพื่อเคารพธรรมะเคารพวินยัยตลอดจนเพื่ออนุเคราะห์บุคคลที่ท่านกราบไหว้นั่นเองหากผู้นั้นด้อยภูมิธรรมแต่ยังมีคุณความดีอยู่ก็จะได้เครื่องเตือนสติตนให้สังวรระวัง พยายามประพฤติปฏิบัติให้ดีงามแล้วเร่งขวนขวายฝึกอบรมตนให้บรรลุภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์แสดงธรรมแก่ผู้ใดก็ตามแม้แก่คนขอทานหรือพรานกระจอกก็ทรงแสดงโดยเคารพทั้งสิน้นคือทำด้วยความตั้งใจให้ความสำคัญมุ่งให้ประโยชน์แก่เขาจริงๆ ทั้งนี้พระะงร์เคารพธรรมะการที่คนทั้งหลายแสดงความเคารพสุภาพอ่อนน้อมต่อกันตามฐานะภาวะและขนบธรรมเนียมประเพณีก็พึงยึดถือหลักเคารพธรรมะเช่นนี้จะได้ไม่เกิดปัญหาทั้งในแง่ไม่ธรมเพราะมานะาอาหาังการถือสูงถือต่ำว่าเขาไม่ดีไปกว่าเรา และทั้งในแง่าถามเพราะประจบประแจงเป็นต้นการแสดงความเคารพเกินควรหรือแสดงผิดฐานะผิดภาวะหรือไม่จริงใจก็กลายเป็นการไม่เคารพธรรมะได้เช่นเดียวกับการไม่ทำความเคารพการไม่เอื้อเฟื้อต่อขนบธรรมเนียมเพราะมานะอาหางการอันที่จริงด้วยความเคารพธรรมะ ทุกคนย่อมต้องเคารพซึ่งกันและกันเช่นเคารพในความเป็นมนุษย์ในความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ในคุณธรรมที่แต่ละคนมีต่างๆกันเป็นต้นแต่ความเคารพกับการแสดงความเคารพเป็นคนละอย่างกันความเคารพเป็นเรื่องชั้นในการแสดงความเคารพเป็นเรื่องชั้นนอกซึ่งซ้อนเสริมเข้ามาเพื่อประโยชน์ในระดับสังคม เป็นเรื่องของวิธีการแสดงออกที่ตกลงกันกำหนดขึ้นไว้สุดแต่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมมีความสงบเรียบร้อยดีงามเป็นต้นซึ่งว่าเดยหลักการก็คือความเคารพธรรมะในระดับที่มุ่งเพื่อการดำรงธรรมของสังคมนั่นเองในกรณีนี้ผู้ได้รับการแสดงความเคารพก็ต้องแสดงความเคารพเหมือนกัน โดยอาการที่เรียกว่าเอื้อเฟื้อเช่นแสดงความเอื้อเฟื้อต่อการแสดงความเคารพของเขาเป็นต้นหากพระอริยบุคคลจะงดเว้นไม่กราบไหว้ไม่แสดงความเคารพใครในกรณีใดหนึ่งท่านก็จะกระทำด้วยเหตุผลที่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่คนผู้นั้นในแง่ใดแง่หนึ่งหรือเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมบางอย่าง แต่ไม่ใช่เพราะกิเลสเนื่องโดยความยึดถือตัวตนส่วนพระอริยบุคคลที่เป็นขฤรือหัดย่อมกราบไหว้แสดงความเคารพแก่พระภิกษุแม้ที่เป็นปุถุชนด้วยเหตุผลเกี่ยวกับธรรมะหรือเพื่อเชิดชูธรรมะซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ประการที่หนึ่งพระภิกษุสละวิถีชีวิตอย่างชาวบ้าน ซึ่งสแสวงหาความสุขสำราญปรนเปร์ด้วยการมาสุขต่างๆยอมสมัครใจออกมามีความเป็นอยู่ที่ขาดความรพร้อมสะดวกสบายถือข้อปฏิบัติฝึกหัดขัดกล่าวตนเองต่างๆแล้วรักษาวินยัยซึ่งเป็นของยากที่ปุถุชนจะประพฤติตามได้แม้แต่ตนซึ่งเป็นอริยบุคคลก็ยังไม่ต้องปฏิบัติงดเว้นเข้มงวดถึงอย่างนั้นนับว่าเป็นผู้ทาสิ่งที่ทาได้ยาก ประการที่สองพระภิกษุเป็นผู้ดำรงฐานะและภาวะของท่านที่ชาวพุทธตกลงหรือยอมรับกันไว้ว่าเป็นผู้มุ่งหน้าไปแล้วในมรรคาแห่งการปฏิบัติฝึกอบรมตนและประพฤติเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนับเป็นภาวะและฐานะที่ควรเคารพยกย่องประการที่สาม พระภิกษุเป็นผู้ร่วมอยู่ในสงฆ์คือเป็นสมาชิกแห่งชุมชนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับธรรมะโดยตรงเป็นที่ชุมนุมผู้มีคุณธรรมหรือพระพฤติปฏิบัติความดีไว้ได้มากที่สุดเป็นสมาคมของคนที่ดอยมากมีคุณธรรมเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของธรรมะหรือการดำรงอยู่แห่งธรรมะภิกษุแต่ละรูปย่อมเป็นตัวแทนแห่งสงฆ์นั้น เมื่อกราบไหว้ภิกษุนั้นๆในฐานะที่เป็นภิกษุรูปหนึ่งไม่ใช่ในฐานะพระชื่อ่อพระชื่อขอก็คือเคารพกราบไหว้ให้เกียรติแกสงฆ์และเป็นการเคารพเชิดจูธรรมะด้วยประการที่สี่พระภิกษุเป็นตัวแทนของสงฆ์ดังกล่าวแล้วและภิกษุสงฆ์นั้นย่อมเป็นพุทธบริษัท ส่วนที่ทำกิจแห่งการศึกษาปฏิบัติและสั่งสอนเผยแผ่ธรรมได้ดีที่สุดเหมาะที่สุดจึงเป็นชุมชนที่ดำรงรักษาธรรมวินันคือหลักธรรมคำสอนและระเบียบแบบแผนของพุทธศาสนาไว้ได้อย่างที่เรียกว่าสืบต่อศาสนาและอย่างที่บางทีเรียกภิกษุว่าเป็นศาสนาญาตการเคารพกราบไหว้ให้เกียรติแก่พระภิกษุ ในฐานะตัวแทนของสงฆ์มีความหมายเท่ากับเป็นการเชื่อจูสงไว้ให้ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกประการที่หอย่างน้อยที่สุดขรือหัดย่อมเคารพกราบไหว้พระภิกษุด้วยเมตตาจิตต่อพระภิกษุนั้นคือปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขความเจริญงอกงามในธรรมแก่ท่าน โดยฐานเป็นเครื่องช่วยให้ท่านหมั่นระลึกและคอยสำนึกอยู่เสมอถึงฐานะภาวะและหน้าที่ของตนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามให้สมควรแม้ในกรณีที่จะไม่ไว่ายไม่แสดงความเคารพก็เพราะมีเมตตาจิตได้พิจารณาเห็นแล้วว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ภิกษุนั้น แต่พึงสังเกตว่าถ้าจะถือตามคติของภิกษุสงฆ์เช่นในกรณีโลงพระมันรณแก่ภิกษุหรือของภิกษุณีสงฆ์ในกรณีประกาศไม่ไว่า้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการกระทําเช่นนี้ควรให้เป็นไปโดยมติร่วมกันของชุมชนดังนั้นพระภิกษุสา ม, มนเณรถึงจะเป็นปุถุชนแต่เมื่อเป็นผู้เพียรพยายามฝึกตน ก็สมควรแก่อัญเชลีของเขาหรือหัดแม้ที่เป็นอริยะบุคคลพูดอิงนัยยะหนึ่งว่าภิกษุสามเณรรูปใดเมื่อชาวบ้านกราบไหวย้ยังคอยเกิดสํานึกที่จะสํารวจตนว่าเป็นผู้มีคุณความดีสมควรแก่อัญชลีกรรมของเขาหรือไม่ภิกษุสามเณรรูปนั้นก็ยังหน้าไหว้อันหนึ่ง การแสดงความเคารพกันตามความแก่อ่อนโดยพรรษาของพระภิกษุทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องต่างหากจากการดำเนินกิจการของสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆกรรมเพราะสังฆกรรมสมบร็จด้วยมัติของสงฆ์ซึ่งพระภิกษุผู้เฉียบแหลมสามารถเป็นผู้ดำเนินการประชุมส่วนภิกษุที่จะเป็นประมุขหรือเป็นหัวหน้าก็เป็นเรื่องของภิกษุทั้งหลายพร้อมกันเคารพนับถือ โดยกำหนดเอาภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เรียกว่าภสษาธนิยธรรมคือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสซึ่งตามปกติภิกษุผู้บวชนานมีประสบการณ์มากย่อมควรที่จะมีโอกาสได้รับฐานานี้มากกว่าภิกษุผู้บวชภายหลังเพราะได้มีเวลาที่จะศึกษาปฏิบัติฝึกปรือตนมานานกว่าแต่ข้อนี้ ไม่เป็นตัวตัดสินภิกษุผู้เฉียบแหลมสามารถบาลีว่าพยัตาปฏิพละเป็นผู้ประกาศเรื่องให้สงทราบตั้งยติขอมติและประกาศมติสงได้แก่ตำแหน่งที่เรียกว่าผู้สวดกรรมวาจาเช่นที่เรียกในการอุปสมบทว่ากรรมวาจาจารหรือคู่สวด ในสมัยปัจจุบันคนทั่วไปอาจไม่ค่อยทราบความหมายและความสำคัญของตำแหน่งนี้เพราะสังฆกรรมสืบทอดมาโดยเน้นในรูปของพิธีกรรมตามประเพณีสังฆกรรมต่างๆเช่นอุปสมบทอุโบสถกำหนดสีมาปวารณากระถินแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆการลงโทษการระ ง, งับอธิกรณ และสังคยณนาเป็นต้นอย่างไรก็ดีระบบการบริหารของรง์เช่นนี้ย่อมต้องอาศัยระบบการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นที่เป็นเหตุก่อนคือการฝึกหัดขัดเกลว์ที่เริ่มแต่บวชในสมัยใดระบบการศึกษาอบรมที่เป็นเหตุนั้นบุกร้องหรือขาดหายระบบปกครองสงฆ์พุทแบบเดิมนี้ ก็ไม่อาจดำเนินไปกลายเป็นต้องอาศัยระบบอื่นเข้ามาแทนทั้งนี้เพราะระบบสงฆ์แท้อาศัยรากฐานคือมีมวลภิกษุสมาชิกซึ่งมีการศึกษาที่แท้เป็นผู้ขัดเกลาดีแล้วนอกจากนั้นมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในบางสมัยที่ระบบนี้เลือนรางไปแล้วเมื่อรู้ตัวคิดจะรื้อฟื้นขึ้นใหม่ บางทีมุ่งแต่เรียกร้องเอาผลโดยไม่ได้คำหนึ่งที่จะทำเหตุ